เราไม่เหมือนเคยแม้ว่าเธอไม่บอกกันแม้ว่าเธอไม่พูดเลยแต่ที่เธอนิ่งเฉยมันฟ้องใจเธอมีความลับในหัวใจปิดไว้เธอ กำลังรักใครอย่าเก็บมันไว้เลยรู้ว่าเธอหนักใจยิ่งนานเท่าไรยิ่งทรมานอย่าเก็บเอาไว้เลยคำรำลาที่เธอต้องการไม่รักไม่ต้องสงสารพูดมันออก เ็บใจฉันคงต้องยินยอมต้องทำใจพร้อมยอมรับมันเธอมีใครอย่าหลอกฉันเธอจะไปพูดกันหนึ่งคำเพียงเท่านั้นแค่นี้ก็พอคนคนนั้น ข้าใจเมื่อเธอไม่รักกันอย่กเก็บมันไว้เลยรู้ว่าเธอนักใจยิ่งงานเท่าไรยิ่งทรมานยอยเก็บเอาไว้เลยคำรํำลาที่เธอต้องการไม่รักไม่ต้องสองสารพูดมันออก My. รีบไปฉันเข้าใจเมื่อเธอไม่รักกันอย่าเก็บมันไว้เลยรู้ว่าเธอนักใจยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งทรมานอย่าเก็บเอาไว้เลยคำรำลาที่เธอต้อง สงสารพูดมันออกมาเธอกเก็บมันไว้เลยรู้วเจอนักใจยิ่งนานเท่าไรยิ่งท้อระมัดเดีเก็บเอาไว้เลยคำร่ำลาที่เธอต้องการไม่รักไม่ต้องสองสารพูดมันออก